Book 2 <36. S> 3า <36. S 2> 3สิหการขนส่งมวลชน c o l l e c t i v traffic ป้ารถโดยสารอยู่ที่ไหนคะบริษัทอร์บสโฮลปลสนรถเมล์คันไหนไปกลางเมืองคะ ดิฉันต้องไปสายไหนคะวิลก์เค i ลิ e ก์ย์มอย์เอ่ดิฉันต้องต่อรถไหมคะมอย์ย์ไ t บดิฉันต้องต่อรถที่ไหนคะตั๋วรถราคาเท่าไหร่คะ กีーー่ป้ายก่อนจะถึงกลางเมืองคะคุณต้องลงรถที่นี่ค่ะคุณต้องลงข้างหลังค่ะุณต้องลงข้างหลังค่ะ้างอาทีรถไฟขบวนต่อไปจะมาค่ะ Kommer er. อีกสิบนาทีรถรางขาบวนต่อไปจะมาค่ะเนตส์ทริกคืานาทีอีก15นาทีรถเมคันต่อไปจะมาค่ะตค er. รมา15นาทรถไฟใต้ดินเที่ยวสุดท้ายเมื่อไรคะนออร์ดทบ รถรางเที่ยวสุดท้ายเมื่อไรคะ n อ r går den siste trikken? รถเมเที่ยวสุดท้ายเมื่อไรคะนอร์ å sen, r ร์ดนสิสต์เตบัส sen คุณมีตั๋วรถไหมคะ har du billett? ตั๋วรถหรือไม่มีดิฉันไม่มีตั๋วรถค่ะ billett งั้นคุณต้องเสียค่าปรับค่ะด a าต้องคุณจ่าย a ่าบู